อากังคมาณะฉักกะว่าด้วยสงมุ่งหวังจะลงนิยสกรรมหกหมวดหมวดที่หนึ่งภิกษุทั้งหลายสงเมื่อมุ่งหวังพึงลงนิยสกรรมแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์สามคือหนึ่งก่อความบาดหมางก่อความทะเละก่อความวิวา